ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุประชายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุุ่นในเวลาเป็นยามสุดท้ายตูมูฟังช่วงเวลาประมาณแบบก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนี่รายการเรามาพบกันช่วงตีหถึง6โมงเช้าเป็นเวลาที่เรากวรจนลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นมาทำอะไร ตังสติสัมปชัญญะไว้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันเข้าไปสู่ในใจของเราใได้ด้วยการที่ให้เรานึกถึงสิ่งดีๆสัก่อนสิ่งดีๆที่จะมีอยู่ในปีสิ่งดีๆไม่ต้องเอาอนาคตไม่ต้องเอาอดีตเอาปัจจบันนี้เราฝึกเลยทั้งบุฟังปีนี้ ฝึกในการที่จะนึกถึงพุโทโธเอาไว้อุทานอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะอุ้ยแทนที่จะโอ้มายกอดแทนที่จะตะเต็นตกกระโถนก็ให้พุทโธเลยจะอุ้ยก็พุโทโธจะตกใ่แล้วก็พุทโธจะโอ้มายกอดก็พุทโธแทนให้อุทานออกมาด้วยคำว่าพุโทโธพุธโทโธเนี่ยแทนเลย คือคนจะมาอุทานว่าพุทโธพุทโธได้เนี่ยในใจเขาก็คิดพุทโธมาก่อนแล้วให้เราก็นึกถึงพุทโธของเราเนี่ยอยู่เป็นประจำหนึ่งพุทโธพุทโธไว้ในใจเดินไปที่ไหนตกท่อก็พุทโธถูกเขาเกือบเฉียวชนก็พุทโธลื่นจะหกล้มยังไม่ล้มตกใจขึ้นก็พุทโธขึ้นถูกจ้าเอ๋ กับพุโทโธขึ้นหิมกันเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดกับพุโทโธนั่นแหละให้นึกพุโทโธพุธโทโธไปในใจมีคำถามแทรกเข้ามาตัมบูฟังว่าเอย่างั้นจะทำยังไงให้การทำสมาธิของเราเนี่มันมีพลังได้ต้องมีห้าอย่างตัมบูฟังเราต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยหนึ่งในนั้นคือกับพุโทโสนี่แหละ จะทำสมาธิมีกําลังดีได้ก็นึกถึงคุณของพระธรรมด้วยนึกถึงคุณของพระสงฆ์ด้วยนึกถึงคุณของมารดาบิดาด้วยนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ด้วยเอาคุณงามความดีทั้งหมดหอย่างเนี้มาเป็นพื้นฐานมาเป็นพื้นฐานในการทําจิตเราให้มีกําลังสมาธิที่เพิ่มขึ้นเริ่มต้นโดยการมานึกถึงพุทโธนี่แหละก่อน เป็นต้นเอาไว้เลยพอเรานึกพุโทโธพุธโทโธไปในใจนึกไว้แล้วไม่ต้องบังคับความคิดด้วยเพราะว่าถ้าบังคับความคิดเราบางทีมันจะปวดหัวแต่ว่าให้เรารู้เฉยๆตั้งสติไว้วันนี้จเจริญพุท ธ, ธานุสติแล้วเราจะมาทำการพิจารณากันห้ากันว่าเราต้องเห็นให้มันชัดเจน ไปหมดเนี่ยตั้งแต่ฟังในตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันที่จะมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนมีความแจ่มแจ้งเริ่มจากสติเราตั้งเอาไว้ก่อนสติหมายถึงกรารระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วให้มันได้ตอนนี้เรามาระลึกนึกถึงพุโทโธไว เพราะว่าจิตขเราจะมีธรรมชาติที่มันจะโน้มน้อมไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนน้ําไหลลงที่ต่ํา g r ำแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันเป็นไปแบบนี้นี่มันเป็นธรรมชาติของมันจิตเราก็มักจะไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนหม้อก้นที่มันกลมๆหลักไปทางไหนมันก็กลิ้ ง, งโคลกกเลกไปันี่ก็เป็นธรรมชาติของฟิสิกส์มันเป็นอย่างนี้ ทีปัญหามันก็คือว่ามันไปซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมันก็จะมีปัญหาให้เราสะดุ้งสะเทือนบ่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในที่นี้เราจึงมีการระลึกคือตั้งจิตให้มันอยู่กับที่ใดที่หนึ่งไม่ให้มันไหลไปตามสิ่งต่างๆหม่อถ้าก้นมันกลมแล้วมันไม่มีฐานรอง มันก็จะกลิ้งโคโลกะเล็กไปเราก็หาฐานมารองสิก็ า, าสตินนั่แหละมาตั้งอาไว้เป็นที่ระลึกถึงอย่างหนึ่งต้องฟังว่าในขณะที่เราเอาฐานมารองก้นหม้อนี่ไม่ใช่ว่าหม้อมันจะไม่ได้รับแรงดันไปข้างนนี้ข้างนี้มันก็ยได้รับอยู่แต่ว่ามันมีฐานรับน้ำหนักเอาไว้เหมือนกันว่าเรานึกพุโทโธพุธโทโธไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนึกในช่องทางใจ ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงก็มีอยู่แต่ว่าไม่ลืมพุโทโธเหมือนเตาเก็บรักษาอวัยวะของเขาไว้ในกระดองเพื่อป้องกันภัยจากสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกบางทีมันยังไม่ไปมัก็วิ่งวนหน้าอ้อมหลังวิ่งไปวิ่งมาหาช่องอยู่กระดองเตาก็าอยู่ตรงนั้นหลักรักษาเก็บเอาไว้อยู่ข้างในสุนัขจิ้งจอกก็ยังไม่ไปไหน ยังอยู่ท่านั้นน่ะเหมือนกันมีเสียงผ่านทางหูเราก็ได้ยินเป็นธรรมดาแต่กระตองคือสติของเราต้้งเอาไว้โดยการมานึกถึงพุทโธเหมือนกับเขาเอาสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเอาปลายด้านหนึ่งไปผูกไว้กับเสาเอากระทะลิงมันยังมีแรงอยู่มันก็จะต้องกลับไปปากมันมันก็จะดึงเชือก เชือกกรตึงขึ้นเสาก็ได้รับแรงจราเข้มันจะไปลงน้ำมันก็ดึงเชือกนะเชือกกรตึงขึ้นเสาก็จะได้รแรงแต่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมันไปไหนไม่ได้นะเหมือนกันเรามีจมูกมีกลิ่นผ่านมาเราก็ได้กลิ่นแต่เราไม่ลึงพุทโธไงเชือกตึงขึ้นก็จริงแต่เสาไม่ล้มเชือกไม่ขาดเรายังมีสติไว้อยู่ได้ สี่งต่างๆเหล่านี้มีเป็นธรรมดาตำรวจฟังมีเป็นธรรมดาเหมือนกับนายช่างกลึงเขากลึงชิ้นไงเ็าต้องปรับคันชักบ้างปรับเช่าเร็วเข้าออกแต่ตาของเขาเนี่ยไม่ออกจากจุดสัมบัติเลยจะเพ่งดูอยู่ที่จุดสัมบัติตลอดเหมือนกันเรามีเสียงมีกลิ่นผ่านมามีความคิดผ่านมาจิตใจเราไม่ออกจากพุโทโตเลยตำรฟัง ให้นตั้งมาอตลอดนี่เราจเจริญพุท ธ, ธานุสติโดยการมาระลึกนึกถึงคุณกองพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธไว้ก่อนให้มีพุทโธไว้อยู่ในใจเลยนี่คือเจริญพุทธานุสติบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้บุคคลที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้ อ, อ ใ, อ ใ, ธธใ ด, ข, อใ ข, อดข้อหนึ่ง ในที่นี้เราพุโทโธขึ้นตั้งเป็นต้นทำให้ราคะโพสะโมหะเนี่ยมันไม่มีอยู่ในภายในค็เมือนเหมือนกับสงบลงไปชั่วคราวหินทับยาวายยาก็ไม่โตไม่เกิดทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ระหวบาดจิตของเรานั้นดําเนินไปตรงโดยการมานึกถึงพุโทโธยมได้อาาัตยมได้ความรู้สึกอันประกอบด้วยธรรม ที่ก็เราจะเป็นสมาธิได้สมาสติจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้พอจิตเราเป็นสมาธิแล้วเรามาใกล้ค ร, รวญธรรมะบุวังเจริญพุทธานุสติแล้วกว็ามาเจริญธรรมานุสติด้วยเจริญธรรมานุสติมีใชว่าเรานึกถึงตรโมตโมโมนั้นเจ้าอย่างนั้ก็ได้แต่ในที่นี้เราเอามาใครใ้ครวญในเรื่องของขันธ์ตั้งหา ทไมเราเอาการทั้งห้ามาใคร่คุววันนี้เพราะเราต้องทําความเข้าใจทุกธุร ง, งในธรรมะบทอื่นๆที่พระเจ้าได้ออกมาที่บายในช่วงของใต้รม่มโพธิบทนี้จะได้พูดถึงเรื่องของเรียสัตซอยู่หนึ่งในความจริงอันประเสริฐนึ่นคือเรื่องของทุกทุกนี่มันมีอะไรบ้างโอ้เยอะแยะมากมายจนนับไม่ได้นะเธอจะแยกเป็นรายละเอียดนะ เอางี้ล้วกันอะไรที่มันเหมือ น, เ ห, อนเหมือนกันเรามาจัดหมวดหมู่กองๆรวมกันเอาไว้มันก็เรียกว่าขันขันนี่หมายถึงกองหมายถึงกรุบปิ้งหมายถึงหมวดหมู่หมายถึงกลุ่มก้อนจะว่าฝูงก็ได้เจะว่ากลุ่มก็ได้จะว่าหมู่ก็ได้แดงนั่นแหะที่มันเป็นกลุ่มก้อนกองก อ, องรวมกันยังไงนะก็อะไรที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซ ธาตุสีดินน้ำไฟลมหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นจากธาตุสีนั่นแหละใส่ธาตุสีแล้วประกอบกันเนี่เราเรียกว่ารูปรูปนี้เป็นไงนะคือเป็นของที่แตกสลายได้เราความหนาวความร้อนความเย็นความหิวความกลายพวกนี้เราเรียกว่ารูปก็กลายเรานี่แหละทำฟังรูปกลายเป็นรูปอย่างหนึ่ง ข่าวของสิ่งของภายนอกเป็นฮาร์ดแวร์จับต้องได้พวกนี้เป็นรูปทั้งสิน้นเขาเรียกว่ารูปประคันี่เราจัดหมุดหมู่กลุ่มก้อนพิจรารณากันก่อนว่าตัวรูปนี่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยไว้แบบนี้เอารูปเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราคิดนึกคำนวณเนี่ยหรือว่าพิจารณานี่มันต้องไปยังไงคือเห็นตัวมันแล้ว ก็ต้องเห็นเหตุเกิดมันด้วยท่านฟังใครควรต่อไปดูคืออันนี้เราใช้สติใช้สมาธินะท่านฟังนในการค่อยๆคุรเล่นพิจารณาคือถ้าสติไม่มาสมาธิไม่เกิดแล้วไปเห็นรูปเนี่ยนะถ้ามันเป็นรูปอันเป็นที่ตั้งให้ความน่าพอใจสวยงามยินดีเลยนะมันจะแบบเพลินพอใจไปในสิ่งนั้นเลยนะ หรือถ้าเป็นรูปเป็นเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจมันก็จะเคยอยากเคยแย้งเกลียดชังยินร้ายเป็นในสิ่งนั้นเลยนะคือไม่จะเห็นตามความเป็นจริงได้ยากโดยจุดยิงเรื่องของโทษเรื่องของข้อเสียเรื่องของอุบายนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดเจนปราะมันเพลินพอใจไปนแล้วในที่นี้เราจึงย้ำมีครั้งหนึ่งว่าเราก็ตั้งสติทําจนได้เป็นอารมณ์เดียวก่อนเป็นอย่างางี้ เอกมันเป็นยังไงนะเรื่งองของรูปนี่เอามันก็มาจากน้ารูปนี่ก็ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องธาตุสี่นี่ก็ได้จริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นแหละอาหารมันก็คือธาตุสี่มาประกอบกันในลักษณะที่เป็นรูปร่างขึ้นมามาประกอบกันในลักษณะที่เป็นกายเราขึ้นมามันประกอบกันในลักษณะที่เป็นรถยนต์ บ้านครื่องบินย า, านพาหนะสิ่งของต่างๆนี่มันต้องมีอาหารมาประกอบกันมันต้องมีน้ำรูปมีท่าสีเหล่านี้มาประกอบกันรูปในยส่วนที่จากน้ำรูปนั่นหละก็รูปเดียวกันนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยนี่มันจึงเหตุของมันมาเหตุของรูปก็คืออาหารนั่นเองความหนบไปของรูปโว้ยนี่ค พูดไว้ตั้งแต่ในชื่ อ, อมันเลยว่ามันคือความแตกสลายไปได้เพราะความร้อนบ้างความหนาวบ้างความหิวความกระหายมันเป็นเหตุของความดับจะเป็นความดับก็มันได้เพราความที่รูปนั้นมันหายไปได้ให้สิ่งที่มันประกอบมาเนื่องกันอาหารนั้นลหละมันหายไประไปตัวรูปนั้นก็นับไปหายไปรูปของเรากายของเรานี้มันมี จะยกว่าประโยชน์ก็ไม่ใช่เขารียว่ารสอร่อยของมันต่างหากรสอร่อของรูปนั้นก็คือความที่มันให้ความสุ ข, ขเราได้ความสุขสมณะความยินดีพอใจที่เกิดจากรูปอันใดความยินดีพอใจอ น, นั้นน่นนะคือรสอร่อยของรูปอย่ า, าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนะหรือถ้าจุดดอมไม่เป็นสมาธินี่ไม่มีสตินี่ มันจะพอใจเพลินไปตามความอร่อยตามความยินดีนั้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมันจะดูอยู่นอกๆได้เหมือนดูละครเนี่ยทฟังถ้าคุณอินกับตัวละครมากโอ้ฉันเป็นเหมือนนางเอกฉันเป็นเหมือนพระเอกรู้สึกขึ้นลงไปตามอารมณ์ของคนในตัวละครอันนี้ก็เพลินไปตามสิ่งนั้น แต่ถ้าไม่เพลินไปตามก็คือเหมือนคุณดูอยู่จากบุคคลที่สามบุคคลที่สเหมือนอย่างสมัยก่อนเขาฉายหนังผ่านทางหนังกลางแปล ง, งนี้คนดูอา้าวดูภาพที่อยู่บนจอภาพใช่ไหมคนถัดมาอีกคนใช้หนังนี่เห็นคนดูดูอยู่บนจอภาพนี่ถัดมาอีกแยกตัวใมาอีก คนที่สี่เนเห็นทั้งคนดูดูอยู่บนจอภาพเห็นทั้งคนใช้ใช้บนเครื่องฉายเราแยกออกมาเนี่เราชะไม่ได้ตามเนื้อเรื่องไปคือเห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงเนื้อเรื่องเรื่องราวที่เขาใช้อยู่บนภาพแต่ก็เห็นสิ่งต่างๆด้วยว่า อ, อมีคนดูคนนั่นอยู่คนนี้ก็ดูตรงโน้น อ, อยู่คนนั้นอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้ตามเนื้อเรื่องคนนี้ก็ไม่เป็นนี่ยคือเราแยกออกมาแยกออกมาสติเราตั้งขึ้นนี่ เราจะไม่เพลินตามเรื่องราวต่างๆนั้นไปจะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันตลกแต่เราก็ไม่ได้ตลกไปด้วยนะอุ้ยตรงนี้มันเศร้าแต่ยิงคนดูเครื่องนอกอยู่จากตำแหน่งที่สาที่สก็ไม่ได้เศร้าไปตามด้วยนะแต่ก็รู้อยู่มันตลกหรือมันเศร้านี่คือจะให้ความสุขได้นี่คือรถอะไรยของมันโดยไม่ได้รู้สึกว่าเพลินพอใจยินดีไปตามนั้น แต่ไม่อีกที่เราฟังคือโทษของมันโทษของรูปเลยมีอะไรโอ้ยความที่มันจะเสื่อมสลายเสียหายเปลี่ยนแปลงแตกหักดับไปได้นี่แหละคือโทษของมันความที่รูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่รถยนต์ของเราเนี่ยหรือบ้านของเราเนี่ยรถยนต์เนี่ยบางทีชนมันก็บุบบี B. มันดีมีปัญหาในระบบเครื่องยนต์มันก็ไปไม่ได้บ้านเรือนผ่านแดดผ่านฝนมากมันก็ผุพังโอ้จากที่ ง, งามๆอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไปโอาใกล้ตัวน้อยโทรศัพท์มือถือมันควรจะปิดได้แล้วแต่ทำสมาธิอยู่โอ้ขวานั้นนี้นนแบบรุ่นใหม่แรงเร็วโหต่อมาอีก เปลี่ยนซอฟต์แวร์อาทำไมมันชา้าลงเ อ, อหรือข้อมูลมากขึ้นทำไมมันเก็บได้น้อยลงเป็นเต็มขึ้นเ อ, อหรือจอทำไมของกุณนึ่งก็มันใสมันดีกว่าใหญ่กว่าเอ็พเราทำไมตอนแรกก็ดูดีๆตอนนี้รู้สึกมันแห่เหลือเกินนะี่นะอันนี้คือความที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้คือมันก็เหมือนเดิ ม, มแหละบางคนจะว่า ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมแต่ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอาจจะมีที่จิตใจของเราหรื อ, อจะมีที่สิ่งสิ่งนั้นก็ได้มีที่ไหนความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเยนะี่ะยังคือโทษมันมีที่นั้นโทษมันมีในรสอร่อยกินนี่ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียนะท่านฟังเพระาะว่าดีเสีย ดีไม่ดีมันอยู่ที่คนดูอะ่ะตัว น, นี้คือรถอร่อยและทอดอันต่ำสามไม่ได้เกี่ยวกับว่าดีเสียตางแต่ที่ใครจะวิเคราะห์หรือชอบพอใจอย่า ง, รางรแรงหตัวนี้ทัดมาอีกบํางนอกจากรถอร่อยโทษดของมันแล้วก็ต้องดูว่าพิจรารณาเห็นถึงอุบายที่จะคลายความกําหนัดยินดีในรูปนั้นได้ ปัญของคันห้ามันก็คือว่าถ้าคุณยึดถือนี่มันเป็นปัญหาทันทีมันจะเป็นทุกทันทีเราจะทำไงให้ไม่ให้ไปยึดถือรูปล่ะอะไรจะเป็นอุบายในการที่จะคลายความยึดถือเหนี่ยวรูปได้ล่ะจวพิจารณาไงมันถึงจะคลายกําหนัดจากรูปเราต้องตามก่อนว่าที่เขาไปกําหนัดยินดียึดถือในรูปเนี่ย เราอะไรอ่ะเอาเขาเพรา ะ, ะ, ราะมันหน่าเพลิดเพลินใจไงมันน่ายินดีมันน่าพอใจไอ้ความเพลินความพอใจเนื่ยซึ่งทําให้เกิดความยึดถือความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานถ้างั้นจะไม่ให้ยึดถือก็อย่าไปเพลินอย่าไปพอใจใช่ไหมละ่ะจะให้ความยึดถือมันถอนออกตัดออกนี่ก็ต้องเห็นมันโดยความเป็นโทษไง ไม่ได้เห็นโดยความเป็นของอร่อยมันตรงข้ามกันตัง้งหวงถ้าคุณเห็นรสอร่อยเพลิดเพลินไปตัณหาความอยากอุปทานความยึดยืดโยง ย, ย้อยยึดตามมันไปเลยแล้วเราก็ต้องเห็น้วยความเป็นโทษของรูปหนีแยงเยกออกมาแล้วทำให้มากไอ้ข้อนี้เห็นโทษของรูปให้มากมากเสร็จแล้ว จะเป็นตัวให้เราไม่ไปยึดถือหรือความยึดถือที่มีนั้นมันลดลงเหนรูปนั้นแหละนี่จะเป็น Dubai, อุบายของเรื่องนะบ อ, อกซึ่งความที่รูปมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเป็นโทษมันมีเยอะคือพูดตรงนี้เนี่ยพูดหัวข้อเดียวในราลียข้อเดียวแต่ในราเรียที่ว่ามันไม่เที่ยงมัน เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันปรากฏออกมาในหลายรูปแบบเช่นาหากเอาเช่นผมหงอกเอาเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอโรคที่ฟันโรคที่เหงือกโรคที่หูโรคที่ศีรษะหรือว่าความที่ผิวหนังมันตอนล้างมาใหม่ๆก็หอมดีแต่พอไปเดินตากแดดเหงื่อออกมมันเหม่นนี่ ความไม่เที่ยงก็ปรากฏออกมาในความเป็นปฏิกูลของมันคือความเป็นของไม่สะอาดไม่ใช่แค่เฉพาะหนังเลือดนี่โอ้เปลินที่ไหนนี่เขต้องรีบแฉดออกเพราะมันเหม็นเหม็นข้าวเลือดนี่หรือดูภายนอกหนังหุ้มไว้โอ้สวยงามดีพอลอกออกเปิดดูข้างในโอ้ปฏิกูลโอเนี่ยไอ้ความยินดีความที่เห็นเป็นคุณ มันหายไปแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปความไม่เที่ยงโทษของมันนี่ปรากฏออกมาในรูปของความปฏิกูลก็ได้ความเสื่อมไปจากที่มันเป็นอยู่ก็ได้วันนี้เราคิดใคร่กรวนดูวันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นเพื่อเห็นว่าตอนเราพิจารณามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอุบายเรื่องที่จะนำออกซึ่งความยึดถือในรูปนั้นได้ต่ทาไมนะ เพราะว่าถ้าเรายึดถือในดรูปเราจะเป็นทุกข์ไงแต่มันก็ให้ประโยชน์ให้รสอร่อยไม่ใช่เหรอก็มีไงอตาทำไมไม่ออกไว้ก็เพราะมันมีโทษไงก็ถ้าเราจะมีสุขด้วยแล้วก็มีทุกข์ด้วยแหมมันคือมันต้องคิดดูมันคุมไหมละ่ะไม่ว่าจะทำอะไรทุกฝัง่งถ้าคุณเป็นนักลงทุนหรือคุณเป็นพนัก ง, งานบริษัทธรรมดาก็ได้ แล้วนักทุนก็จะต้องดูว่าซื้อหุ้นตัวนี้มันคุ้มกับความเสี่ยงไหมโออัพไซด์นี่ขาขึ้นนี่มันได้มากเอแต่ก็เสี่ยงสูงอู้ิ่งถ้าเสี่ยงสูงมากเลยขาได้นี่มันไม่มากนี่นี่มันคุ้มเสี่ยงไหมนี่ก็ต้องคิดวิกฤตแยกแยะนะหรือพนักงานบริษัทเนาะพน ง, งานบริษัทนี้เงินเดือนเท่าไหร่งงานมันเยอะมากน้อยขนาดไหน อ้ยจะเปอกว่างานง่ายๆแล้วก็ให้เงินเดือนเป็นแสนโอ้ใครเขาก็เอาแต่ถ้าใช้งานอย่กระทาดแล้วก็เงินเดือนก็แค่ไม่ยิ่งตางอย่างเงี้ยเอาปะละ่ะอ๋อมันก็ต้องคิดวิกฤต ย, ยากๆไงใกรกลวนูช่างน้ําหนักดูระหว่างโทษกับรถอะไรยของมันนี่ไม่ใช่ว่าคุณว่าโทษนะอันนี้ต้องอยังอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่ว่าข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันแต่เ น, นี้เราลองดูตามความเป็นจริงว่ารถอรอะเนี่ยมันเป็นยังไงมีแค่เนี้ยโทษนเป็นยังไงมันก็มีเยอะเอาเราะนั้นเราควรจะให้มาคลายความยึดถือในรูปนี้ซะเพื่ออะไรนะเพราะว่าโทษมันมากดอความที่โทษมันมากแล้วรถอรอมันมีนี่เดียวมันจะไม่คมกัน แล่วมันมีไม่อะไรที่มันโทษ น, น้อยแล้วก็รสอร่อยก็มันดีมีมากๆนี่มีสมาธิไงอันนี้สปอยให้แจ้งให้ทราบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ทุกผู้ฟังหนึ่งรูปกันนะตอนนี้ ก, ก็คือเวทนาหรือท่นานบัญญัติไว้อย่างเงี้ยเรื่องเวทนาว่าหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ผ่านทางอะไรบ้างเราจะรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์ได้ในผ่านทางไรละ่ะฟังเพลงเพลงนี้ก็ทำให้เกิดความสุขใจได้ของสิ่งนี้มากเกิดความทุกข์ใจเสียของสิ่งนี้ไปเกิดความสุขใจหรือไปที่นั่นที่นี่มันก็จะรับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละผ่านทางช่องทางทั้ง6ต่างแล้วทำให้เกิด เป็นความรู้สึกขึ้นสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างาทุกขะมะสุขะใบตน า, าเนี่ยคือความรู้สึกที่มันไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์ที่ท่านแยกแยะตรงนี้เป็นบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยต้องฟังเพราะว่าคุณเราเนี่ยมันพูดกันได้ว่าเออฉันรู้สึกอย่างงี้นะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมารวมลงที่ความรู้สึกนี้หมดเช่นมาคุณรู้สึกง่วงคุณรู้สึก มันคุณรู้สึกเจบคุณรู้สึกร้านความรู้สึกต่างๆที่เราเรียก น, นั่นแหะมันคือชื่อใช่ไหมชื่อของความรู้สึกเรียกว่าเป็นสัญญาแต่อีเชื่อที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกนั้นอย่างนี้ที่ว่าเป็นสัญญาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกยังไงพอใจสุขไปตามหรือไม่พอใจทุกไปตามไอ้จริงๆมันก็ไม่ได้จะบอกด้วย่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรอกมันก็ได้แ บ, บ่งไดแค่สาวอย่างนี้ส่วนชื่อเรียก ความรู้สึกอะไรต่างๆนั้นเราเรียกว่าสัญญาโดยก่อยบากันแต่ไอ้สัญญาต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกอะไรไปเนี่ยมันก็ได้แค่3มอย่างนี้สุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขป็น แ, แบ่งไปอย่างนี้พมันเนื่องกันมาอยู่ในรูปด้วยความรู้สึกนีอยู่ในสัญญาด้วยจอบความรู้สึกเนี่ยอยู่ในสังขารอยู่ในวิญญาด้วยเพราะอะไรเพราะรสอร่อยก็มันไง รูปนี่ทําให้เกิดรสอร่อยก็ได้สุกโสมนัสไงไงสัญญาด้วยเวทนาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยมีความรู้สึกเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าแรางต่ำ ม, มันก็มาประชุมรวมกันลงที่เวทนานี่แหละมันจึงมีความรู้สึกเกิดขึ้นได้นี่คือตัวมันแบบ น, นี้คิดวิเคราะห์แยกแยกแ จ, ง, แจงไปเฮ้ยเกิดมันมาจากอะไรเจ้าเวทนานี่ อ, อ๋อเหมือนง่ายๆมันคือภาษา เรามีภาษาจึงมีเวทนาก็จะเสียงมันไปโดนลิ้นนะมันจะไปรู้สึกสุ ข, สขหรือทุกข์ได้หรอทางลิ้นโดยเสียงเออมันมันไม่ได้มันไม่ใช่กระทบกันมามันไม่ได้หรือเอาหูไปจุมในอาหารดูมันจะไปรู้เค็มรู้หวานเหรอหรือเค็มนเนี่เค็มน้ำปลาหรือว่าเค็มซีอิ๊วหรือว่าเค็มเกลืออยมันไม่รู้เหรอหู มันจะไปสุกทุกตามว่าเออมันเสีมาใส่กับส้มตําเนี่ยมันจะได้เหรอมันไม่ได้มันคือมันไม่มีผัสสะมันมากระทบมันไม่ถูกทางมันไม่ใช่วิสัยและโกจรของกันและกันมันโดนกันไม่ได้มันก็ต้องให้เป็นวิสัยและโคจรก่อนกันและกันมาถึงจะมาถูกทางได้ก็นั่นคือผัสสะไงเฮ้ก็มันคือผัสสะถ้าไม่มีผัสสะ อธิบายไปนในตัวเลยความเกิดความตามเนี่ยคู่กันถ้าภาษามันมาไม่ถูกทํานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทางใจนี่ยิ่งจะเห็นชัดเจนตางฝังเปรียบเทียบทางหูทางลิ้นแล้วก็มาทางใจดูธรรมารมเนี่ยถ้ามีธรรมารมมีใจยังไงมันต้องมีความรู้สึกทางใจถ้าไม่มีธรรมารมธรรมารมคืออะไรที่มันเป็นนา ม, มาทำทุกอย่างเลยนะ ถ้าไม่มีธรรมารมมันก็ไม่มีความรู้สึกทางใจไงหรือมีธรรมารมมแต่ธรรมารมที่จะมาให้เกิดความรู้สึกนั้นเป็นธรรมารมมันเป็นที่แต่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่มันก็จะเกิดอาทุกข์มาสุขขึ้นในช่องทางใจไงมีหมดหลายตำแงสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่ในช่องทางใจของเราคือเป็นธรรมารมมอาจจะเป็นสิ่งที่มาจาก ความคิดนึกอื่นแพ่ส่งผ่านเข้ามาเห็นเราได้ยินคนนั้นเขาพูดว่ า, างั้นอย่างนี้เราก็มาคิดนึกตามความคิดนึกตามจนกลายเป็นตรรมารมณ์คิดนึกตามแล้วก็มีผัสสะทางใจเราก็มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นทางใจตามไปความเกิดมันเป็นอย่างนี้แต่คุณดับตรรมารม์ได้ความดับไปของความรู้สึกต่างๆช่องทางนั้น มันก็ดับไปเหตุเกิดมันคือผัสสะความดับของเวทนาห น, นึ่งก็คือความดับไม่เหลือของผัสสะเราดูรอยของมันแยกๆลงไปดูก็ อ, อะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้นั่นแหละท่านผู้ฟังเวทนาคือความรู้สึกมันทำให้เรามีความสุขได้บางครั้งนะทุกขเวทนานี่ทำให้เราสุขได้ถึงนทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอยู่กับ คนที่เราไม่ชอบน่แหมสะใจดีจริงๆนะหรือสุขเวทนามนันเกิดกับคนที่เราเกลียดแม่มันทุกข์ใจจริงๆนะสุขเวทนาเนี่ก็ทำให้เกิดมันไม่อร่อยได้ตัวสุขเวทนาก็ทำให้เกิดสุขเองด้วยอันนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นธรรมารวมอย่างหนึง่งเวตนานี่มีเวทนาทางลิ้นนะ เกิดกินอาหาอะไรยังไดหนึ่งอร่อยเวทนา น, นั้นเก็บเอาไว้ใช่ไหมเป็นธรรมารวมแล้วพรามเป็นอยู่ข้างในเรามานึกถึงสิ่งนั้นอีกก็เรื่อยๆโอ้ฉันเคยไปกินที่นั่นมาโอ้อร่อยมากๆเลยเนี่ยความสุขเกิดขึ้นทันทีนี่ก็เป็นธรมารมก็เกิดขึ้นต่อไปต่อไปละนี่เป็นรสอร่อยที่เกิดขึ้นจากเวทนานี่เอามานึกได้ท่านังพระบริชาติาตอนเป็นบริษัทเองหลังจากที่ออกบวชแล้วใช่ไหม ที่ใจเนี่ยมักจะนึกน้อมน้อมไปในการมาสุขที่เป็นอดีตไม่ค่อยอที่จะนึกไปถึงความสุขอะไรที่เป็นทางปัจจุบันหรืออนาคตเพราะว่าอาหารมันก็ไม่ได้เหมือนในพระราชวางังเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่อยู่มันก็ไม่เหมือนในพระราชวางังก็จะนึกน้อมไปในอดีตอันี้มันเป็นความสุขที่เคยมีผ่านมาแล้วแหละ มันก็มาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นี่เป็นรสอร่อยคุณนึกถึงอดีตคุณก็มีความสุขว่าฉันเคยมีความสุขแบบนี้มาจุดนี้แหละตรงฝั่งที่มันก็เป็นโทษด้วยเพราะว่าโทษนั้นคือความที่มันไม่เที่ยงโอ้โหเมื่อก่อนมีมาเป็นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วความสุขต่างๆเหล่านั้นที่เป็นการมาสู่พันมาในอดีต ปลายบริลนเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วประความแปราบรวนของมันนี่แหละคือเป็นโทษต่ำสามต่ำบากเป็นโทษของเวทนาคือความที่มันไม่เที่ยงคิดว่าจะสุขทางลิ้นอยู่ได้ตลอดประวานกินโอ้อร่อยดีปกินมากเข้ามากเข้ามากเข้าวันนี้กาเอาที่อร่อยๆมาเสิร์ฟมิกเ อ, อมันเริ่มแบบ่ า, บามันเจือจางจากวันก่อนอยู่นะ ยิ่งถ้าอร่อยปลาไหนเขามาทําให้เจ็ดวันติดกันเน่ยเดือนหนึ่งติดกันเน่ะปีหนึ่งติดกันเน่ยทุกวันทุกวันในตลอดปีนี่มันก็กลายเป็นไม่อร่อยขึ้นมาได้คือความอร่อยเวทนานั่นแหะมันจืดจางลงไปก่อนที่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่ลงไปถึงกระดับว่าเป็นทุกข์อะเอาก็ว่าเวทนานั้นมันจืดจางไปเนี่ยอมันก็ไม่สุขเหมือนก่อนมันอย่างคนที่แบบไปเที่ยวตาม สถานที่เอกซติกต่างๆกลุ่มที่ที่มันจะตื่นตาตื่นใจเห็น Disney World. ดิสนีย์เวลด์โด้เดนี่ไปไม่ได้ใช่ปะคนล็อกดาวน์ก็ติดโควิดบางก็ไปเที่ยวตามประเทศไทยก็ได้ใช้หาดภูเขาทะเลอะไรต่างๆดูเสร็จแล้วเนี่ยแหมไปรอบสองรอบสามนี่นก็โอเคอยู่ทำไมไม่ตื่นตาตื่นใจเหมือนไปของแรกหนึ่งคือความที่มัน ไม่เที่ยงแล้วเวทนานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือโทษของมันคำฝังซึ่งโทษของมันเนี่ยมันมากถ้าเปรียบเทียบกับรถอร่อยที่เราได้นะโทษของเวทนาคือความที่เวทนาไม่เที่ยงดับไปได้ด้วยเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยอาหารเนี่ยไม่ต้องพอพลมือเลยตอนกินคำแรกหิวมาเนี่ยนะโอ้อะไรามากอะไรามาก กินไปจนจะเริ่มอิ่มเนี่เอความอร่อยนี่มันเจือจางลงนะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนี่มั น, มนเริ่มมันเริ่มตานล้วเผลอๆกินมากต่อไปต่อมันกลายเป็นทุกข์ด้วยท้องแน่นอึดอัดขึ้นมาโอ้ยที่ว่าอร่อยๆนี่มันมันกลายเป็นไม่อร่อยแล้วมันกลายเป็นโทษแล้วเห็นคาตาซึ้งซึ้งหน้าเลยเนี่ยหรือไม่ต้องทานอิ่มก็ได้ข้าวตียว๋ยนี่กินอร่อยๆเสร็จไปเพิ่ม เช่นจัดใส่ช้อนใส่ปากดูดขึ้นกินขึ้นเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้นหนวด์แมลงสาบนี่เนี่ยมันไม่ใช่เส้นผมเลยเส้นผมนี่ก็ยังว่ายังพอว่านะคือมันก็แยกพอแรงแล้วใช่ไหมเส้นผมเนี่ยนอยมันจะเป็นหนวดมแมลงสาบนี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวหนังกระติ๊กอย่างเงี้ยอยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ทันอิ่มไม่ทัฝังเลยที่ว่าอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยนี่กลายเป็นไม่อะไรทันดี นังแล้วคือโทษกับมั น, นตัวอันต่ามเป็นอย่างนี้แล้วปัญหามันก็คือว่าอะไรที่มันโทษมากแล้วก็รสอร่อยของมันเนี่ยน้อยคือมันไม่คุมกันนี่ท่านฟังที่เราจะแบบเอามันเป็นของเราโอเคไหมคืออะไรก็ตามที่เราควรจะมาเป็นของเราเนี่ยนะอะไรที่มันมีคุณมากๆแล้วก็โทษน้อยๆนีน่คุณเอาเนี่ยมาเป็นของเราไว้ก่อน คืนี่ไม่ใช่หมายความว่าแนะนําให้ท่านฟังหรือเห็นจริงต่างๆด้วยคว า, าเป็นตัวตนของเราอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นนะส่วนเหมือนส่วนต่างว่าถ้าเราจะเอาสิ่งที่มีโทษมากมีคุณน้อยมันเป็นของเราเนี่ยสู่เอาสิ่งที่มีคุณมากๆเราก็โทษมันมีน้อยๆดีกว่าอะไรที่เป็นอย่างนั้นก็มากนี่แหละมัะมกมีโทษไม่มีอยู่รัเปลี่ยนแปลงได้ คุณมีไหมโอมาเออเอานั้นมาก่อนเปล่ยเฉะนั้ น, นที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ในมีความรัดกุมอยู่แล้วคือในการเจริญให้มากทำให้มากแต่ไม่ใช่ว่ามาเป็นของตัวเราคือทำให้มากเจริญให้มากไม่ใช่ยึดถือไว้ในมรรคนั้นในสมาธินั้นในตํารานั้นไม่ใช่ยึดถือไว้แต่ให้เจริญทำให้มากในอะไรในสมาธินั้น ในสตินั้นในทิฏฐินั้นที่เป็นสมาทิฏฐิเพราะอะไรประโทษมันน้อยรสอร่อยข้อดีอมันเนี่ยมันมากมากแล้วคุ้มกันแต่เปรียบเทียบกับอะไรเบทนาเวทนาเนี่ยยึดถือไม่ได้เพราะอะไรโทษมันมากคุณมันน้อยอะไรที่มีโทษจริงจริงเรายึดถือไม่ได้เลยเพราะอะไรนะ เพราะว่าถ้ายึดถือแล้วแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะทุกข์มากอารความสุขที่มันให้เราล่ะมันน้อยไงมันเปรียบเทียบกันเหมันไม่คุ้มเขาใช้งานคุณอย่างกระทาะัะแล้วให้เสร็จข้าวเสร็จอาหารกินเนี่ยมันคุ้มเหรอมันไม่คุ้มถึงเวลาที่เราจะปลดแอกตัวเราจากความยึดถือได้แล้วปลดแอกนี่นะ คือเราย่างยึดใความยึดอื่นมันก็ยึดต่อไปนั่นแหละแต่ปลนแอกจากความยึดเถือเลยคือไม่แต่อะไรเราก็ไม่ยึดในที่ว่าไม่ยึดไม่ยึดนี่เหมืนนั่นเป็นยึดกับความที่ปฏิเสธนั่นก็ได้นี่กิเลสมันเอาเราสองทางเสมอนะท่านผู้ฟังเราไปยึดกับการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างก็มีบางคนก็เป็นปฏิเสธสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนั้นด่าทอว่าโน้นนี้นอนนั้นขี่บ่นนี่ มันก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าที่ไม่ยึดไม่ยึดแล้วไม่ยึดไปกับการปฏิเสธนั้นด้วยเนี่ยเราเอาอะไรเอาสิ่งที่เป็นสาระสิสิ่งที่ไม่เป็นสาระคือความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปลายปลนได้สิ่งที่เป็นสาระคืออะไรที่ทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงมีปัญญามีสติสมาธิเนี่เอาตรงนั้นหนึ่เอามักไงมัดหนุน มีสาระมีแกนสารเอาตรงสติเอาตรงสัมมาสังคปะเอาตรงสัมมาอาชีวะเอาตรงสัมมาวาจานเอาตรงนี้จะทำให้เราไม่ยึดได้ให้เราละความยึดถือได้แล้วก็ไม่ใช่ไปยึดกับการปฏิเสธมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เอาสาระเอาสาระคือในมรรคแปดนี่เราเป็นอุบายเรื่องนออ้ามองทุกฝั่ง าเวทนาด้วยเห็นโทษของเวทนา้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนันตามีโทษมากมีคุณน้อยเปรียบเทียบแล้วไม่เอาสิ่งนี้ไม่เอาคือไม่เห็นโดยความเป็นสาระละความยึดถือได้จะละความยึดถือได้เดินตามมรรคแปดเอาตรงนี้ เดินตามมรรคแปดเนี่ยจะไม่ได้ด่าใครว่าใครละ่ะพูดไม่ดีพูดโกหกไม่เอาพูดทิมแทงคนอื่นไม่เป็นจะจะมีสัมมาวาจาอาวหสนาแล้วต่อไปอีกสัญญาตุ่ฝัังสัญญาสัญญาคือความหมายรู้ภาษาต่างๆนี่เป็นสัญญาหมดเราเรียกชื่ออะไรได้เนี่ยน่นเป็นสัญญาหมดชื่อของโรคภัยไข้เจ็บ ชื่อของสิ่งต่างๆจะชื่อจริงชื่อปลามชื่อเล่นชื่อทางการพวกนี้เป็นสัญญาทั้งหมดหรือแม้แต่คำบัญยัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ด้วยเราเรียกเป็นสัญญาคือมันปฏิรูปออกมาแล้วไงปฏิรูปจากความจริงความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านมีรู้ขึ้นอยู่ในใจแล้วกาหนดบทออกมาเป็นปเพี้ยนชนะ ให้เรารู้และเข้าใจตามได้อันนี้เรียกสัญญาเป็นบัญญัติขึ้นมาเป็นคำพูดคำกล่าวจนจึงบอกว่าเพราะมีสัญญานมันจึงมีคำพูดวาจาออกมาได้สัญญาก็แบ่งเป็นทางต่างหูจมูกลิ้นกายและใจตามช่องทางนี้หเหตก็ออมันก็คือภาษานั่นเองแ่มีภาษาแล้วก็มีสัญญากรือนอกจากเวทนาแล้ว จะทำให้เกิดสัญญาด้วยภาษานี่นอกจากเวทนาสัญญาแล้วสังขารด้วยภาษาเนี่ทําให้เกิดสังขารด้วยเดวกว่ากันทีนี้ความดับไม่เหลือของสัญญาก็ ค, คือความดับไม่เหลือของภาษานั่นเองถ้าไม่มีภาษามันจะไปนึกอะไรออกชื่อตั้งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงมันไม่มีเลยมันก็แบบ ไม่มีอะไรเกิดแบบว่างไปดับไปหมไปแต่พอใจมาเรียกชื่อว่าหมไปหายไปดับไปได้เอ า, น, านี้คุณต้องมีสัญญากำหนดหมายรู้บัญญัติให้เข้าใจกันนะว่ามันเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้เรื่องเช่นมารถยนต์อย่างเงี้ยคาว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีมาสักสี่ห้าร้อยปีก่อนนะมันเพิ่งมีมาภายหลัง เอาทำไมเขาถึงตั้งชื่อวางกันเอาเขาก่อนเป็นกุญเเยนมันเป็นรถลากมันเป็นรถเข็นแต่พอติดเครื่องยนต์เข้าไปเราจะเรียกอะไรดีอ๋องั้นตั้งชื่อร่วมกันล้กันมีภาษาแบบนี้เกิดขึ้นอะ่ะมีรูปเกิดขึ้นผ่านทางตาแบบเนี้มีสัมผัสเกิดขึ้นเป็นผลตภัณฑ์ผ่านทางกายมาเงี้ยเอาเราเรียกมันว่ารถยนต์ก็แล้กันนี่ไงมีภาษามันจึงมีสัญญาขึ้นมา ความหมายรูปกำหนดปรุงแต่งเงื่อนไขขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ตั้งชื่อเรียกมาเป็นแบบนี้ถึงเรียกว่าชื่อนี้จึงพูดกันออกมาได้มีวาจาเพราะมีสัญญามีสัญญาเพราะมีภาษาแต่มันจะให้สัญญาดับไปภาษาก็ต้องดับไปหนุนตาคุณไม่จะมาปรุงแต่งรถเกียร์รถเห็นรถลากโดยความที่จะติดเครื่องยนต์เข้าไป ให้เขามรถยนต์มันก็ไม่มีขึ้นมาแม้แต่สิ่งอื่นๆด้วยก็เหมือนกันภาษาของประเทศที่มันไม่มีมันก็ไม่มีภาษานั่นไงแต่มีประเทศนั้วมันก็มีภาษานั้นขึ้นมาสัญญาจะดับไปได้ก็ต้องดับภาษานั่นเองรสอร่อยละ่ะรสอรอยนั่นก็คือสุขสมนัติใดๆเกิดขึ้นปราศัยสัญญานั้นดูง่ายๆหนุนฟัง คนเล่นตลกนี่ยเขาจะเอามาใช้มุกพวกนี้เป็นประจำระหว่างภาษาอย่างเงี้ยเอาภาษาไทยออกเสียงว่างี้ฟังดูในภาษาอังกฤษเนี่โอ้มันตลกไ ม, ไ, ไม่ต้องเอาถึงภาษาต่างชาติหรอกเอาภาษาไทยเราเนี่แหละพูดภาษาถิน่นสำเนียงภาษาใต้ให้คนอีสานฟังบางคำเนี่ฟังแล้วมันตลกตัวบางตลกตลัวเรื่องด้วยพูดไม่ได้หรก เดีวยวเป็นหัวข้อตัวอย่างเฉยๆว่ารถอะไรนี่ยมันมีจากสัญญาโดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วมุกตลกทุกมุกกับทานฟังไม่ว่าเขาจะเล่นตนลกที่ไหนเนี่ยเป็นสัญญาทั้งสิน้นเพราะมเป็นวาจาออกมาแล้วบางคนนี่นะเขาเล่นมุกอะไรบางทีไม่เก็ตอะ่ะมุกฝืดมากไม่เห็นตนลกเลยเอาทำไมคหนหนึ่งก็ตลกกันเพราะสัญญาคนั้นไม่มี ใน่ก็นี้ไงทษอันตาซามันก็คือว่าความที่สัญญานนเนี่ยมัย น, น ไ, ไ, ญญไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้สัญญาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ต้องอะไรมากฟังมุกตลกนี่แหละฟังครั้งที่สองครั้งที่สามมันไม่ตลกเหมือนเก่าแล้วเออสุกมันจืดจางไปเรื่องมุกแปก๊กหรือว่ามุกมันชืดแล้วมันชาแล้วมันล้าสมัยแล้ว ทั้งสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยังจํานวนครั้งที่เล่นด้วยมืดีมุกใหม่ๆนี่แหละแต่ว่ามาเล่นหลายครั้งมันก็เลยกลายเป็นไม่ตลกไปเปลี่ยนแปลงได้ในบางความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตัวมันเองแล้วไม่เที่ยงสิ่งอื่นด้วยสัญญาก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งแต่ความจําหายไปสปรรพภาษาบาทีเราพูดเฮียนไป ไม่เข้าใจเปลี่ยนแปลงคําศัพท์คําพูดเดี๋ยวนี้เขาใช้อิโมจีพูดกันระหว่งางส่งข้อความเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกีนว่ามันเกิอะไรโอ้ยนี่แหละมันเป็นโทษของมันความที่มนเปลี่ยนแปลงอยู่ยลยลยตลอดเวลาถ้าเรายึดถือนะเรามีปัญหาทันทีสิ่งใดที่มีโทษนี่แล้วเรายึดถือสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันที ผูจึงเรีว่าอุปท า, านขันต์คือสัญญานี่แหละอุปท า, านขันต์คือเวทนาอุปท า, านขันต์คือรูปนคนือกานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญาท่าึงเรียกว่านี้เป็นก่องทุกเพราะฉะนั้นเราจะเอาความยึดถือออกไปจากสัญญานี้ให้ได้สักมีครั้งหนึ่งนะลูกคุณไปยึดมันได้ไงนะที่ไปยึดได้คืออุปท า, านมีเพราะ ความเพลินความพอใจคือนั้นที่คุณมีความเพลินความพอใจในสัญญาอันใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปทานอุปทานมันก็ติดกับสัญญานั้นทันทีมีสัญญากติดขึ้นทันทีปุบโทษมันก็มาด้วยเพราะวาความที่มันไม่เที่ยงเอางี้จะกําจัดมันออกไปยังไงคุลาความยึดถือสลระความยึดถือได้ไงคุณก็ณต้องอยากเห็นมัน ให้เกิดความเพลินความพอใจในสิ่งนั้นแต่เป็นไงนะเห็นท้อยของมันถ้อยของสัญญาคืออะไรความไม่เที่ยงเหอเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาก็ามไม่มีสาระไม่มีแข่นสารเห็นอยู่บ่อยๆแล้วนี่จะเป็นอุบายในการที่จะนําออกจากความยึดถือในสัญญานั้นนำออกได้แล้วเราเหลืออะไร เหลือสติหรือสมาธิไงเพราะการที่เราจะมาเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องมีสติคุณต้องมีสมาธิเพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงไงคือจะเห็นแต่โทษอย่างเดียวไม่เห็นรดอร่อยไม่เห็นเหตุเกิดไม่เห็นสิ่งต่างๆครบถ้วนเนี่ยมันเดิเ้นไปติกัการปฏิเสธสัญญาณนั้นทั้งหมดกิดเลสมันเาราสองทางเสมอจิตใจเราก็ต้องมีมันแปอยู่เสมอ มีมักแผนอยู่ถูกต้องแล้วจึงจะเห็นรสอรอยเห็นโทษนั่นแหละเป็นอุบายเครื่องที่จะนาออกจากความยึดถือในสัญญาณได้อพิจารณาต่อไปอีกขั้นหน้านะสังขารดูสังขารสังขารคือการปรุงแต่งหนึ่นงที่เราปรุงแต่งมาหมดนั่นนะคือสังขารหมดนะแล้วมันมาจากอะไรสังขารมาจากนารูปก็ได้มีนารูปมี รูปคือกายคือธาตุสมีนามคือเวชนาสัญญาพวกนี้ด้วยเนี่ยมันจึงมีสังขารมันจะดับมันยังไงก็ไม่ให้มีพวกนี้ไงดับพวกนี้ไปก็ดับสังขารรถอะไรยของมันคืออะไรเหมือนเดิมสิ่งอะไรที่ให้เกิดสุขสมานัตได้เกิดความพอใจได้นั่นคือรถอะไรยของมันโทษนั้นคือความที่สังขารไม่เที่ยง กูใบ้เรื่องนําออกจากสังขารได้นั้นก็คือมรรคแปือเห็นโดยความที่มันเป็นกองไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเห็นมาโดยความเป็นโทษสังคารเนี่มันมีสองแบบมฟังสังคารปรุงแต่งในลักษณะที่ว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นกับสังคารปรุงแต่งในลักษณะที่จะให้มันลดตัญหาลงถ้าทำให้เกิดตัญหาขึ้นเนี่ยเราไม่ควรเอา ไม่ควรจะทำให้มากเลยควรจะละเลยสัญญานที่ทำให้ลดการยึดถือลดตัณหาลงอันนี้ควรเอาไหมควรเอานะเพราะว่าตัณหามันลดลงไงตัณหาลดลงทุกเราก็ลดลงใช่ปะแล้วคุณจะไปยึดในสังขารแบบนี้ไหมถ้าคุณยึดในสังขารที่ทำให้ความยึดถือมันลดลงเัาความยึดมันก็เพิ่มขึ้ น, นสิใช่ไหมจำฝังมันมันล็อกกันอยู่ในตัว นีมันจึงความงดงามของคนที่ออกแบบเส้นทางนี้มากมากเลยท่านฟังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวันนี้ขณะที่คุณปฏิบัติตามมรรคแไปความทุกขุณก็ลดลงทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนรอความยึดถือคืออุปทานนี่มันลดลงลดลงความยึดถืออุปทานลดลงเพรนั้นมันจะไปเป็นเพิ่มความอุปทานได้ไงความยึถือได้ไงมันก็ไม่ได้ไงเออนี่ก็ควรจะเอาอยู่แต่จะเอาด้วยความที่ว่าจะยึดมัน มันก็กลายเป็นเพิ่มไงมันก็ไม่ได้มันก็จึงปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยมันจึงทาให้เป็นวิราคาธรรมกุราคามันจะลดลงลดลงลดลงตามกระบวนการของมันแล้วตัวมันก็ไม่ยึดตัวมันได้เองได้ด้วยถ้าคุณทาถูกมาเนี่ยจนมันก็วับหายไปวับหายไปนี่คือแบบมัรก็ไม่ได้ออกไปไงตอนท่นพระสาริบุตรปริญญาเนี่ยเสียสมาที่ปัญญาทํานไม่ได้ออกไปด้วย พระบิดาบอกวิญญาณด้วยตธรร่งวิญญาณมาพิจารณาใกล้โค ร, ครนมีนามรูปก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีนามรูปตัวมันคือการทับรูปรับรู้สิ่งต่างๆได้ความดับก็คือความดับของนามรูปนั่นแหละรถอร่อยนั่นก็คือวิญญาณอะไรที่ทําให้เกิดสุขส่วนัตได้ตัวอนตําซ้ำก็คือความที่วิญญาณน่ยมันไม่เที่ยง จะเหินอุบายเครื่องนำออกไปได้ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองมีการรับรู้เกิดขึ้นที่ไหนตัวมันก็มีเภสัะอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วมันต้องมีการกระทบกันมีลิ้นมีรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณเราจะดับมันได้เห็นตามความจรงิงโดยความเป็นของไม่เที่ยงของวิญญาณ จเจริญเกาะ อ, อยู่กับเจ้ามรรคแดเอาไว้จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นขันห้าตามความเป็นจริง ท, ทาจิตเราให้มีกำลังมีสติจเจริญพุท ธ, ธานุสติด้วยพิจารณาเห็นขันห้าก็เป็นการจเจริญธํามานุสติด้วยทำสมาี่ของเราให้มันดีขึ้นได้ด้วยการปฏิบัตินั่นก็เป็นสงด้วย ในความที่จิตเราจะนำธรรมะให้เข้าไปสูนในใจนี่มันจะเกิดมีขึ้นได้ตังต่ฟังรายการธรรมารับรุนในทุกวันอคารที่เป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับ ต, ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูรณ์ข้ิพีุโนเป็นผู้ดำเนินรายการ เราฟังสามารถที่จะติดตามระฟังการปฏิบัติแบบนี้ได้เป็นเหมือนกับ itation, ก i รเดดมีดิเทชันคือการนำปฏิบัติสมาธิภาวนาไปด้วยเลยเป็นประจำได้ในทุกธนาคารในระบบพอดคาสต์ Podcast, ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือ YouTube Channel Facebook Fan Page เราก็มีข้าพเจ้าพระมหาภัยบู์อภิปุนโนก็ขอลาไปก่อน เพบกันใหม่ในหวันบรุ่งนี้สุดเด่นพอด